อเคใใวที่ดใใีวิตลัตะได้ไ ส, ส ว, สวเป็นเคสทีวันนี้ก็เป็คสิบ972นี่เกือบพันเคสกันแล้วนะจ๊ะ ลูกเป็นนักเรียนรุปาลฝันในฝันวิทยาพัานแท้ค่ะรู้จักวัดตั้งแต่ปีพศ2541จึงได้ลูกก็เริ่มเรียนรู้ศึกษาคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็ฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจึงเกิดดวงรรวิญญาควบคู่ความศรัทธาจนกระทั่งลูกบัญใจว่าไปจจกความหลงงมงาย รเรนตั้งแต่ที่ลูดินนำคำสอนจี่หลวงพอ่อและพอาจ า, ารย์ชี้แนะไปปฏิบัติตามเริ่มจากการนำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาสั่งสมบุญบา ร, รมีซึ่งติดตามตัวไปทุกชาติไปแ่แค่เพียงสะสมทรัพย์ซึ่งเราเอาออไปไม่ได้เลยชีวิตของลูกและครอบครัวก็เหมือนพบทางสว่างเป็นทางที่เดินไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็อยาก บ, บอกทุกคนนมาสิีทางนี้สว่าง โลกวัตในวันที่เชิญบรมพุทธเจ้าปฏิสถานน้มหาธรรมกาเจดีย์โดยการจ้กชวนของน้องสับไให้มาสร้างพระภายในปฏิสถานน้มหาธรรมกาเจดีย์ปี2 5 4หหนึ่งมาครั้งแรกลลกได้สร้างพระหนึ่งองค์ให้ตัวเองเพราะกลับไปบ้านก็มีอาการนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับ น้ำไม่หลับละรืมอไม่จบอยากสร้างพระเพิ่มอีก4ีองค์ให้ทุกคนในครอบครัวมากแต่ไม่อยากจ่ายเงินนะเนี่เยเพราะลูกมาเคยทบุญมากขนาดนี้มา ก, ก่อนอแต่ด้วยความอยากสร้างพระมีมากกว่าจึงเอาชนะความตะนนีได้ ลูกก็ได้นำปัจจัยมาทำบุญไม่ได้เห็นหลวงพ่อไปครั้งแรก <c oughs> อ้าวว้าวโลภิติจนน้ำตาไหลเพราะหลวงพ่อ <c oughs> อืมอืมอย่า ง, งน <c oughs> งั้นแหล ะ, ะลู ก, กไม่เคยเห็นใครอย่างนี้มาก่อน อ, อืมอืม ยังไงก็อย่างนั้นแหละเมื่อได้ฟังโอวาทของพ่อก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและคิดว่าเราอยากจะพาครอบครัวนัมาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ถูกต้องจ้ะเดินไปสู่ความสุขคำว่าเดินเนี่ยเราคงนึกถึงอาการที่เรายืนขึ้นและก้าวขาออกไป ไอเดินอย่างนั้นไม่เคยเจอความสุขเลย <S <S <S <S มัม่ยเหมยแต่ถ้าจะเดินไปสู่ความสุขนี้น ะ, ะมันต้องลงไปนั่งหลับตาเบาๆนี่ผ่อนคลายสบายอาจัยไว้ที่กลางกายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าจะคิดก็คิดเรื่องใสๆของใสๆสว่างๆางแพ็ปเดียวเท่านั้นแหละ พปล่อยวางทุกสิ่งแล้วหยุดนิ่งเข้าถึงความสุขเลยเห็นไหมจะเจ้าหนี้จุจอเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เดินไปสู่ความสุขภายในเดินในอรรยบทพีซโพซิชั่นอรารยบทแห่งสันติภาพต่อใจไปแตะไว้ที่กลางกายตรงนั้นแหละเดี๋ยวความสว่างเคยขึ้นโอ้ความสุขรั่งพรู แต่เดินไปก็ต้องไปเจอหรอกนี่จะต้องเดินอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อได้พูดถึงในสงการบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนมันมีความสําคัญมากลูกรับจํามแล้วก็รับธรรมสาคัญจ้าเพราะว่ามันเกิดขึ้นในยากจะบังเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายจะมาเกิดขึ้นต่อเมื่อประเด็กคุณหลวงปู่ผู้มีมโนปณิธาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมบังเกิดขึ้น ลงมาจากที่พักกลางทางทิศดยสิบุรีวงบนวิเศษเขตรบรมโพยสัตว์และลงมาสามร้างบารมีในเมืองมนุษย์และก็ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายด้วยการยุดนิ่งยุดแลยุดเลยไปเลยจนกระทั่งกรูเห็นไปนตามลัดับแล้วก็สอนก็ดืดึอให้รู้เห็นได้ด้วยนี่เห็น เห็นพระธรรมกายในตัวแล้วกาพระธรรมกายของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วถอดขันธ์ห้าทั้งหลายหมดเหลือแต่กายธรรมราตผลกับกายธรรมอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าอยู่ในอายตนะนิพพานแดนแห่งปลมสุขขริโรสมาบัติสเสววิมุติสุขอยู่ภายในทั้งนั้น จะเด่งไปเรื่อยๆ เ, เลยไปรู้ไปเห็นตรงนั้นนะแล้วก็รู้ทะลุเลยจากนั้นก็ไปอีกเลื่อยไปเลยจกกนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจเรื่องอาราวของกองยิงของชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นกระทั่งก็รู้เลยว่าอ๋อยามาอยู่ฉากหลังของทุกสิ่งเป็นผู้ผลิตความโลภ ค, ความโกรธความหลงม า, บ, างบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลาย และกรับปราขอวิชาบังคับอากาศสโลคันโโรกสัุโลกสัรพสัตสัรพสิ่งทั้งหลายแยกๆไปหมดเลย mm hmm. ท่านก็ได้รวบรวมทีหมู่คณะศึกษาค้นคว้าที่จะสู้ลบหลบมือปัญยามาในแหลจะ mm hmm. จ้าการบูชาข้าพระจิงจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิทธิ์ของท่านนักเรียน ที่ศึกษาวิชาธรรมกายในการถึงนรรมกายได้เรียนรู้วิชาธรรมกายและก็ได้ค้นพบหนทางที่จะเป็นทางมาแห่งบุญพิเศษจะเพาะธาตุธรรมพิเศษที่มุ่งไปลือวัตตะไปสุดที่สุดแห่งนำแล้วก็การบูชาครับเราก็เกิดขึ้นโดยการนำาของหยาบอาหารบานกาดอกไม้ทูบเทียนอะไรต่างๆเหล่านี้ จากบ้านคนเล็กเล็กเล่นน้อยหรือเรามาให้ทางวัดร่วมปัจจัยละให้ทางวัดจัดขึ้นและเราก็มาพร้อมกันนั่งสมาธิทําใจหยุดใจนิ่งเกีเถึงนามกายเพราทุกอย่างต้องอยู่ในกลางนามกายและกราบระราตนามหมาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเด็จคุูหลวงปูง่ของเราเป็นตน้นประกอบพิจารณามกายนั่นแหละเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรมการของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ บุญนั้เป็ น, นจินไตก็ บ, บังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลมากกอมากทีเดียวซึ่งจะเป็นบุญที่จะไปสู้ลบปลบมือพยามารที่จะเอามาตัดลอนวิบากกรรมวิบากมรนที่เราได้กระทำไว้ในยามที่พยามารส่งอคตศผลก็สิ่งจิตให้กระทาความผิดด้วยกายวาจาใจแล้วก็เป็นวิบากกรรม ทำให้เรามีชีวิตอุปสรรคลำเคินอา บ, บุญนิพิตัดหล่อนแล้วก็กรรมไหนกําลังตามไม่ทันเนี่ยยามาลส่งวิบากมามาเติมมาต่อเชื่อก็ไปอีกเพื่อจะให้กลับคืนมาให้ได้คล้ายฟื้นคดีเนี่ยฟื้นฟูคดีที่เขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจะเอากลับคืนมาใหม่นะไปตัดลรลอนเขาเรียกว่าวิบากมาจะอา บ, บุญพิเศษนี๋ไปตัดหลอน เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญลูกต้องรับจำและรับธรรมพวกขงที้วันอา ท, ทิตย์ต้นเดือนแล้วคืนนี้เราจะไม่อยู่ดึกนะจ๊ะเราจะรักษาใจใสๆเอาบุญใหญ่กันลูกเห็นว่ามีควากสำคัญมากจึงรับจำและรับธรรมจึงตั้งใจมาบูชาขาพระไม่เคยขาดเลยแล้วเมื่อเวลามีบุญอะไรก็ตามที่หลวงพ่อบอกลูกก็จะทำทุกๆบุญจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ลูกเป็นลูกสาวคนโตจะจำนวนพป่น้องสี่คนในครอบครัว ค, คนจีนที่เคร่งครัดในประเพณีจีนคุณพ่อเป็นคนจิตใจดีรักครอบครัวชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ชอบมากเลยคือไหว้เจ้าแ ต, แต่ลูกจำความได้ลูกไม่เคยเห็นพ่อสูบบุหรี่เลยแต่ท่านป่วยเป็นมะเร็งปอดและเสียชีวิตเมื่อปีสองห้าสี่ห้าขยุตเจดสิบสองปี แม่ท่านรักและเป็นห่วงลูกหลานมากแต่ป่วยเป็นปปโรคเบาหวานโรคต่อกระจกข้อเข่าเสื่อมโรคหัวใจมักจะเหนื่อยง่ายปัจจุบันท่านอายุ79ปีแล้วสามีของลูกเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันและรักครอบครัวแต่เขา ย, ยังไม่เข้าใจและไม่กล้าทำบุญด้วยปัจจัยก้อนใหญ่เอาก็ลองทำสักครั้งสิจ๊ะและจะติดใจทาไปเลยไม่กล้าต้งแก้ด้วยความกล้า ไม่กล้าทําบุญในปัจจัยก้อนใหญ่กล้าเลยแล้วกล้าทําปุ๊บไปเลยนะช่เรายังกล้าจนได้นั้นเราต้องกล้ารวยได้แต่ไม่กล้าทำบุญในปัจจัยก้อนใหญ่แต่ก็ยังยอมให้ลูกและลูกของเขาทั้งสคนมาทําบุญบูชาก้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนแต่คําไม่ยอมมาด้วยเพราะวันอาทิตย์เป็นวันที่ร้านขายดีที่สุดในหนึ่งสัปดาห์เขาจึงเสียดายไรายได้ ลูกพยาอธิบายอย่างไรก็เปิดใจเขาไม่สำเร็จแต่ยอมมาด้วยในงานบุญแอกวัดเป็นครั้งคราวบุญนี้ใครทำใครได้นะจะสืบทอดโดยสายโลหิตไม่ได้เนี่มีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเคสวันนี้มั้งเขาไปคำถามบอกว่าเอ๊ะทำไมพ่อของลูกไม่ได้รับมรดกจากคุณปู่คือพ่องพ่อน่ ซึ่งเกิดจากภรรยาคนแรกลักคุณปู่มีฐานะดีมากเลยไม่ได้เลยเพราะอะไรแต่มาเป็นลูกคุณปู่ถึงเป็นเศรษฐีแต่ตัวมีทรัพย์มากแต่ตัวไม่มีใบแทนทรัพย์อ๋อก็เคยเกิดเป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อลูกกันพ่อทำบุญชวนลูกทำลูกไป่ทำ ทำแต่งานถามว่าขยันไหมขยันขยันทำเงินขยันหาเงินแต่ไม่ขยันทําบุญปรากฏว่ า, วารวยเฉพาะชาตินั้นเพราะชาติตามมาคุณปู่คือคุณพ่ออาจารย์นั้นก็มารวยลูกนี่ก็เคยเป็นลูกกันจงังหวะเอามาเป็นลูกด้วยเอามาเป็นลูกด้วยเวลาทรา์เกิดขึ้นอดไม่มีบุญรองรับทรัพย์ เออประตูไม่ได้ทำเพราะที่จะไปเสิบทอดด้วยสายลอยหิตเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นะถ้าขาดสายบุญเพราะต้องเชื่อมด้วยสายบุญด้วยดังนั้นมัวจะทํางานทําการอย่างเดียวเราไม่ได้ต้องทําบุญด้วยนะจ๊ะลูก ป, ปราชญ์เขาเป็นสำเร็จแต่เขาก็ยอมมาด้วยในงานบุ ญ, ญอย่างเขาว่าเป็นครั้งคราวเขาก็จะลอยเป็นครั้งคราวอย่างนี้แหละ น้องชายและน้องสปายผู้เป็นกรณีมิถิเกลลูกอายุ49ปีแต่ดูออนไวยเหมือนอายุ30ทั้งสองเริ่มตน้นจากฐานะติดลบก็ร่างสร้างตัวด้วยกความมีคุณธรร ม, มและมุ่งมั่นจะมีกิจการมั่นคงก้าวหน้ามากเบางครั้งที่ยังเริ่มสร้างตัวทั้งสองก็ตักบาต ท, ทุกวันด้วยมาม่าและดอกบัวเพราะตอนนั้นยังจนอยู่ขนาดจนนะจะ ยังตั้งโรงทานที่หน้าบา้านสองคนสา ม, มีภริยาเทพบุตรเทิดทีดามีดวงปัญญาเอาขันข้าวมาแล้วก็ตักบาตรกับเนื้อนาบุญเห็นไหมจ๊ะนี่ทำอย่างนี้นี่เราดูผลต่อไปตอนนั้นยังจนอยู่นะติดลบด้วยแต่ก็ทั้งสองก็ตักบาตรทุกวันมาม่าและดอกบัวในตั้งโรงทานหน้าบา้าน พระจนถึงแม้จะลำบากอย่างไรทั้งสองก็สั่งสมบุญตลอดมาทั้งในพระพุทธศาสนาและสังคมสังเคราะหโดยตรัสรักดีว่ามีความสุขความสํเาเร็จในวันนี้เพราะมีบุญจนกระทั่งปีสองพนห้าอี่น้องสุภัยก็ได้มาเข้าวัดพระธรรมกายจะกนั้นก็เป็นต้นบุญเป็นญาติกระหมิดชักชวนทุกคนในครอบครัวและมู่ญาติให้ได้ไปพบผลทางสว่างและในปีสองพั้สามน้งชายและน้องสุภัยก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่อให้เป็น ต้นบุญใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสล า, ายร่างคนยายมหารัตนบสิกาใจคนนุกยุง่งเ<อ>คยได้เป็นเจ้าภาพในกนารสร้างเจดีย์น้อยที่ใช้สล า, ายร่างคนใหาย<อ>ซึ่งเป็นบุญทั้งครอบครัวที่ปิติมากที่สุดในชีวิตและทุ่มเทในทุกๆโครงงานหลวงพ่ออย่างเต็มกําลังด้วยความเคารพรักหลวงพ่ออย่างสูงสุด ส, สุดยอดเลย พีส่สามสามีรู้จักวัตถุการ ช, ากชักชวงน้องสะพายเหมือนกันป่ะเด้บอกว่าครั้งก็แรกในงานมาค่าบูชา254หนึ่งเธอก็ศรัทธานในความสงบเรียบง่ายสะอาดและเป็นระเบียบของสถานที่พ ร, รับสู่ภูมิศีลาจารวัดงดงามน่าลืมใสมิยิ่งได้เปิดใจไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาพัดได้ศึกษารับฟังคำสอนจากพระอาจารย์ทำให้เข้าใจในเป้าหมายชีวิตว่าเกิดมาสร้างบรมี เรา อ, อยากช่วยการเผยแพ่พระศาสนาเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็กเธอไม่มีภาระเพราะเป็นโสดอาศัยอยู่กับครอบครองน้องชายคือสามีของลูกใช้กันค้าขายจึงทัหน้า ท, ที่เป็นกองสบเสบียงให้พระศาสนาอย่างเต็มที่ทุกงานบุญเป็นประธานรองตั้งแต่ปี2อ4 5ีหระเบิดเวลาชีวิตไม่มีนิมิตหมาย เธอเปตัสุขภาพจึงทราบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย oh. าหรือว่ามารณาภาัยกําลังคืบคลานเขมกไล่เวลาที่จะได้สร้างบุญใหญ่หรือน้อยลงทุกทีเธอจึงได้ทุ่มเททําบุญไปปฏิบัติธรรมต่อเ น, นื่องชมรายการดีมซีทั้งวันทําใจก็เกี่ยวในบุญมนันดีสุดปี2548เธอต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นแม้ร่างกายเธอจะอ่อนแอลงเรื่อยๆแต่จิตใจเธอก็อยู่ในบุญ เปรดเทปนั่งสมาธิฟังเสียงหลวงพ่อตลอดเวลาแล้วก็ได้ทำบุญใหญ่ตลอดเดือนมินาคม2549เธอต้องไปพักที่โรงพยาบาลทานอาหารไม่ได้สู้ผอมมากมาวาระสุดท้ายชีวิตกรกลามาถึงสามีของลูกได้มอบประจัยเธอหนึ่งแสนบาทพรอลอมละแสนองค์ในวันคุ้มครองโลกยบสองเมษา ย, ยน2549ตอนนมลพระอาจารย์มารับปัจจัย แม้จะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้จากเธอมีเพียงน้ำตาที่ไหลยปลี่มออกมาแตะเราก็ทราบว่าเธอรับรู้และเริ่มบิตติหลังจากนั้นสองวันเธอไม่สามารถรักษาลมหายใจไว้อีกต่อไปได้และโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อวันที่19เมษา ย, ยนนตอนเราเวลาที่เธอป่วย น, นั้นความอัศจรรย์ที่ทุกคนเห็นได้ชัดเจนคือทุกครั้งที่ได้ทาบุญใหญ่ในขณะที่สุดลง อาการเธอจะดีขึ้นและต่ อ, อยุตได้อีกนานและเธอไม่เคยเจ็บปวดทรมานเพราะโรคร้ายนี่เหมือนคนอื่นๆเลยป ก, ปกติมะเร็งนี่มันต้องปวดมากรู้บัญใจว่าเธอน่าจะไปสู่สุคติเพราะเธอได้เตรียมตัวกับการเดินทางไกลในครั้งนี้อย่างดีมากสังสมสเสบียงบุญอย่างเต็มที่แต่มีดีเอ็มซีเป็นสุดสีขาวส่องสว่างบนทางให้ใจใสมีลว่อังครูวิทยเป็นติวเตอร์ผู้ให้หลักวิชา แต่แม่เราไม่ประมาณในชีวิตและก็พิชิตชัยชนะในสงครามสึกจริงพบได้คำถามคุณพ่อลูกเสียชีวิตด้วยเริ่มมะเร็งปอดเพราะบุปกรรมใดแล้วโลกแล้วอยู่ที่พบภูมิไหนจะต้องทำอย่างไรให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคะคุณแม่เป็นโรคหวัวใจโรคเบาหวาน ขอเขาเสริมแล้วต้อกระจกเพราะบุปผกรรมใดจะแก้ไขได้ด้วยบุญอะไรและจะทําอย่างไรให้ทำมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาคะน้องชายและน้องสะพ้ายผู้เป็นญาติกะละไลมิตรให้กับลูกสร้างบุญรเริ่มกับลูกมาอย่างไรและสร้างบารมีกัมู่คณะมาอย่างไรบุตรทั้งสี่เขามีสายบุญแน่นหนากับหมู่คณะหรือไม่และพระบุญใดเขาจึงมักได้รับบุญที่เกี่ยวเนื่องกับคุณยาอาจารย์คะ การที่จะทำผังมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาและข้ารุรธมกมกายที่เป็นอยู่นี้ให้แน่นหนาจะต้องสั่งสมบุญเพิ่มเติมอย่างไรคะคุณแม่งน้องสัพไยป่วยเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงเพราะวิบากกรรมใดแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะหายได้คะพี่สามสามีเาสีชีวิตได้เรมามะเร็งปากมดลูกเพราะบุกรรมใด ดนนได้บุญสุศลใดที่ทําให้เธอไม่เจ็บปวดทรมานจากโรครายนี้เลยเธอมีบุญใดแม้เธอไม่ได้ดแต่งงานมีครอบครัวแต่ก็มีมูญ่าคอยดูแลในยามเจ็บป่วยเป็นอย่างดี อ, อรมณโลกของเธออยู่ที่ไหนอาจานตามหลักวิชาครอบถ้วนหรือไม่ฝากข้อความใดมาถึงครอบครัวบ้างคะตัวลูกมีอารคประจําตัวคือโรคหัวใจความใดหิตสูงทําให้เหนื่อยง่ายเพราะอุญกรรมใด เราจะแก้ไขได้อย่างไรคะลูกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวันใจนิ่งสงบมีความสุขภายในอยากนั่งต่อไปเรื่อยๆแต่ก็จะนั่งได้ไม่นานมักมีอาการง่วงนอนก่อนง่วงก็นอนสิลูกประสบการณ์อย่างนี้เราจะมีโอกาสกระถึงธรรมกายในชาตินี้ไหมคะก็คงเห็นตอนใกล้ใตายแหละ ไม่เลยหลับทุกทีอย่างนี้เราพยายามทําหน้าที่กรณีไปใต่กับ น, น้องๆของลูกทั้งสามคนทุกวิธีทางลูกจะทําอย่างไรจึงจะสําเร็จคะโลกสามีและบุตรทั้งสามคนเคยสร้างบารมีกับหมูคณะมาอย่างไรและบุตรชายคนโตมีผังบวชบ้างไหมคะทาอย่างไรลูกจะประคับประคองบุตร ท, ทั้งสาอยู่ในเส้นทางนี้ในตลาดไปคะ เอความเตาหลงพ่อหหลัหลกคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัยก็หลากหลายวัยแต่ให้ใจตรงกันเดจจ์ะจะไายมีความสามัคคีปรองดองกันเป็นครอบครัวธรรมกาที่อบอุ่นค่ะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ ลับตาฝันเปนตัวเนตาตื่นขึ้นม า, าแล้วก็นำมาไลฟังมินิยายประามบรากันจาขึ้นผ้าเสียชีวิตในเรือมะเร็งปอดพระปัจจุบันไม่ได้ดือไม่ได้สูบบุหรี่ถูกต้องจ่าพราะในอดีพ่อมีอาชีพ ต, ตีอรังพึ่ง เดาความอรมและก็นมาตัวอ่อนของพืชมากิน oh. กับความค่าสารธรรมอาหารบ่อยๆนะ <Yeah. S 1> มารวมส่งผลจะ oh, oh. ตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานลอย <Yeah. S 1> ในบุญที่ท่านสงเคราะห์โลกและบุญที่ลูกสร้างพระและบุญที่ทำไว้ <Yeah. S 1> ในพระพุทธศาสนาที่ไปให้จึงทําให้มีวิมานทองวิมานลอยเป็นวิมานทอง <Yeah. S 1> ตอนนี้พ่อเข้าใจเรื่องบุญเพิ่มขึ้นแล้วก็สาบซึ้ง เรื่องบญมากกว่าตอนมากกว่าตอนที่เป็นมนุษย์แล้วให้ทำบุญทุกบุญทุทิ์ให้ท่านต่อไปจ้ากำลังนั่งยิ้มใบยิ้มมาสดชื่นคุณแม่เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเข่าเสื่อมและต้อกระจกเละาะคำในอดีตหลายกรรมหลายวาระมารวมกันเช่นข้าสัตว์ทำหารอีทั้งก่อนข่ากำมัดขาสัตว์ไวจึงทาให้เป็นโรคเข่าเสื่อม สัตว์มหารก็เป็นโรคเบาหวานมองสัตว์ิจิตคิดจะฆ่าสัตว์จึงทําให้เป็นตอ้อกระจกก่อนฆ่าสัตว์รมหารก็ทําให้สัตว์ตกกระใจก็ทําให้เป็นโรคหัวใจกาสัตว์รมหารก็ทำให้เป็นโรคเบาหวานแจ่จะแก้ไขก็ให้ท่านทําบุญทุกบุญนี่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวถ้าทําหลากหลายวิธีเมื่อกี้นี้ จะเป็นอย่างนั้นแหละเออจิตคิดข้ามองเอาแน่อะไรเงี้เลยมัดขาสัตว์กันทำให้ตกใจพอสัตว์พลงอ่ะตกใจนี่<อ> <c oughs> จะแก้ไขให้ท่านทำบุญทุกบุญทั้งท า, งานศะีลภาวนาและปล่อยสับปล่อยปลาบ่อยๆแล้วที่ส่วนสบายสับสับเหล่านั้นจะ้ะ ลูต่ตรงก็คอยเป็นกระาวิธีท่านโดยตำบุญนิดท่านก่อนแล้วก็คอยชวนท่านทำโดยอธิบายท่านก็คอยเรียนรู้และเข้าใจจ้ะแม่สัตว์โลกนี่บางทีไม่ทราบน่ารักหรือเปล่านะปลวกในวัดปรมไกยเนี่ยมันยังกระปาน้ำเนี่ยสายไฟอย่าลงไปในน้ำ เ, นเพื่อไปต่อเกิดน้ำพุที่หน้าโบส์ โอ้มันไปทำรังในสายไฟใต้น้ำไม่ทราบมันสวมชุดมนุษย์กบหรือเปล่าตัวมันจะโตๆกับพวกกัวธรรมาดาหน้าตามันเหมือนกับสวมอเรียกไปถูวกันจ้าอย่างนั้นแหละแปลกดีเพืนนะ่อนเนอะมันเข้าไปจำลองไฟมันก็ช็อตบ่อย มีหน้าโบกับหลังโบดเนี่ยอือหือเอาไปเลี้ยงมั้งสิเออช่างนี่ก็ปวดหัวจังบุ๊พระอาจารย์ที่ดูแลก็ะปวดปวดปวดมันแปลกดีเนาะมันทำไมลงไปดินนั้นได้กัดสายไฟที่ใต้น้ำนะแล้วมันก็ไปทำรังในสายไฟเลยอือหือสุดยอดตัวกเลย น้องชายและน้องสะายผู้เป็นญาติกลายิตรใกับตัวลูกได้สร้างบุญอรรมกับลูกมาในอดีตโดยเป็นญาติกันบ้างเป็นเพื่อนกันบ้างที่หน้าตาเหมือนสามสิบอ่ะได้ชวนตัวลูกสร้างบุญอรรมกันมาเส ม, มอมาชาติจริงได้มาสร้างบุญอรรถกันอีกเจ้าส่วนน้องชายและน้องสะพายก็ได้สร้างบุญร่วมกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเบียงที่ผ่านมาบางทีก็เต็มกำลัง บางทีก็ตามกําลังแต่ทุกครั้งมักจะอธิษฐานว่าขอเดชสร้างบุญกับมหาปูชนียาจารย์ไปตลอด oh. บทที่ได้ทั้งสี่ก็มีสายบุญขโมกคณะอิสร <Yeah. S 1> สร้างก็ร่วมกับพ่อแม่มาจา้ะบางทีได้รับบุญเนื่องกับคุณยายอาจารย์เพราะพุทธนนทันดรทิผ่านมาได้มาทําบุญกับท่านซึ่งตอนนั้นท่านเป็นพระมหาเถระ oh. แล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้มีสายบุญกับท่าน ในชาตินี้จึงมักจะได้โอกาสรับบุญเนื่องกับท่านอยู่เรื่อยๆจ้ะาการที่จะสร้างผังบุญมหาเศรษฐีบุญใจบุญค้ำจนุนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หนาแน่นนั้นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องเต็มกาลังแล้วก็ทําให้ถูกหลักวิชาทั้งการกํากำลังทําและทําไปแล้วให้มีปีติเยินดีตลอดและติดสานจิตทุกครั้งว่าให้เป็นมหาเศรษฐีบุญใจบุญค้ำจนุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติจ้ะ ครูพี่ใหญ่อยากให้ทุกคนรวยอย่างเลยเนี่ยอยากให้เป็นมหมาเศรษฐีบุใจบุญคำจุงรู้ศาสนาวิชาธรรมกายจะได้สะบันแหแหลกครูพี่ใหญ่จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยเหนื่อยจะได้นางหลับตาได้กับมีธรรมะอะไรกับมาเล่าสู่การฟังสนุกสนกในความรู้โดยบันเทิงไปด้วยจะต้องรีบไปรวยกันนี่ คุณแม่น้องสะใภ้ป่วยเป็นโลคมะเร็งที่กลรองเสียงแล้วกรรมในดีทกาสัตวมหารบ้างกาสัต์ขายบ้า ง, ต, างต่างกรรมต่างวาระพระเริงกรรวิจักรรมที่ด่าว่าคนอื่นบ้างโตเถียงผู้คนอื่นบ้างเช่นด่าว่าโตเถียงผู้หลับผู้ใหญ่บ้างด่าว่าโตเถียงผู้มีศีลมีธรรมบ้างกับลูกหลานบ้างเถียงพ่อเถียงแม่บ้างแล้วแต่ว่างตอนไหนไหลายๆชาติ ต่างกำ ต, ต่างวาระกันมารวมกันทำให้เป็นโรคมะเร็งที่กล่องเสียง oh. นี่นึกแลยองอาไหนใครใครเอาทำ ง, งี้มั่งลืมไปแลโอ้ยดีดีนะ <c oughs> หนูเป็นเด็กดี <c oughs> ให้ท่านสังสมุทุกี่มังมั่งทั้งทานสีานาปล่อยศัพเป่าติดไปให้ผู้ที่ท่านเคยไปบีบเพียงเขาไว้บ่อยๆจ้า่น่าเชื่อนะ ปากก็คำของเราประโยคถ้อยคำก็ของเราเนะเราดึงเอามาจากใจเนะี่ยแล้วเราก็เอามาพูดมันไม่น่าจะมีปัญหาเออผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งก็ไม่ได้ว่าอะไรผู้วิเิษธรรทั้งก็ไม่ได้ว่านะพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่านะแต่กฎแห่หงกรรมดิสิผู้ออกกฎแห่งกรรมเขาเอาเอาเรื่องปรับคดีเอานี่นี่มันตรงนี้สินี่ อีสามสามีเสียชีวิตด้วโรคบเรงปากบนลูกพระกําเนิดดีแลชาติที่เป็นพุ้ชายได้มีกรรมการมีเจ้าชู้รบริกรรมการฏิบาติคาสะสมมหาและค่าขายต่างกรรมต่างวาระมารวมส่งผลเจ้าแต่ไม่เจ็ปวดหรือทุกข์ทรมานจากโรคภัยนี้พระได้สั่งสมบุญในปัจจุบันและนึกถึงบุญเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาถึงท้ายบุญนี้ไปตัดอรานวิบากกรรมนังขลายอ่อนตัวลงในระดับไม่มีทุกขเวทนาเะครองตัวเป็นโสเป็นครอบครัว แต่มีญาติคอยดูแลในยามเจ็บปวดเป็นอย่างดีเพราะมีบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติและบุญที่มีความกรตันอยูกับตะเวทีต่อบิดามารดามารวมส่งผลจ้านี่บุญตรงนี้เราอย่าขาดอย่าทิ้งีเดียวนะจ๊ะตายแล้วก็ได้ทําตามหลักวิชาเดีมาเวียน ม, มาทักสินรอบมหาธรรมกายจะดีแล้วก็ร ะ, ะลึกนึกถึงบุญได้ทุกบุญแล้วก็กลับไปดูสิบรีวงบุนวิเศษเขตเสบียงได้จ้า ขณะนี้กำลังนั่งสมาธิอยู่ที่วิมานของมาหาสมณะเทวบุตรในเขตตะกรองสเบียงนั่งอยู่จ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้นี้มันได้ย้ายไปไหนน่งอย่างเดียวที่ตองนั้นอ๋อ <laughs> พอไปถึงนั้นอารมณ์ความรู้สึกมันจะแตกตา่างจากตอนเป็นมนุษย์เลยทีมของหมูก่ก น, นั่นนี่พอไปถึงอาตายนี่เราตายแล้วเหรออ๋อ อันนี้เรามีกายทิพย์เรอเนี่ยมาสวยทิพ ย, พยสมัมปชัญญะลูกนี้ทำด้จริงเยอะก็ดีนี่ <Yeah. S 1> จะไปคิดออกจางนั้นคิดชาจังเลย <c oughs> ตอนนี้ก็มีความสุขมากได้ฟ้ามาบอกกับทุกคนว่ามาถูกทางแล้ว <c oughs> ให้ตั้งใจสร้างบนเต็มที่จะได้มาอยู่ดุสิตบุรีวงเป็นพิเศษด้วยกันจ้านี่ <c oughs> นั่งหลับตาดังนั้น จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลย <Okay. S 1> ในวงบุญ mm hmm. จะมีวิธีการเปะจะตรวจตาดูผู้มีบา ร, รมีแก่ๆ <Okay. S 1> ในเขตต่างๆ mm hmm. แล้วก็จะมีวิทยันเชิญ <Okay. S 1> หลากหลายวิธี <Okay. S 1> แล้วแต่กำลังบา ร, รมีของแต่ละท่านจะรู <Okay. S 1> ้มีโรธประจำตัวคือโรคหัวใจความดันโลหิตสูงทำให้เหนื่อยง่าย เรากำเนิดีจะเป็นเศรษฐีนี่อีก a t h บริวารและสัตว์เลี้ยงเยอะจะใช้แรงงานกาธาบริวารและสัตว์ต่างๆมากเกินไปนำะมาส่งบุญจะจะแก้ไขใก้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยป ล, ยปลาให้มากๆแล้วทิดบุญกุศลไปให้สรรพสัตว์ที่เราเคยไปบีบบีงเขาเอาไว้จ้าเราดังสมาธิได้เป็นนานแต่ก็มีความสุขมากมักจะมีกายง่วงนอนก่อนนั้น ง่วงก็นอนเลยลูกก็สามารถกถึงธรรมะภายในได้จะต้องพยายามแก้ไขไม่ให้ง่วงด้วยวิธีการต่างๆเช่นหง่วงตอนน like, Buddhism, ั่งแล้วก็ลุกขึ้นเลยยืนยืนขึ้นง่วงไหมถ้ายืนง่วงก็เกินไปละเกินไปแต่ถ้ายังง่วงอ่ะให้เดินเข้าไปเข้าห้องน้ำเปิดฝักบัวแล้วก็หัวแช่น้ำ ง่วงไหมก็เ <corpses> กินไปละหนึ่งเกินไปยังง่วงอ่ะหารเคียวเคี้ยวเคี้วไปนั่งไปเคี้ยวเคี้ยวเยวถ้าเคี้ยวแล้วยังง่วงโอ้โคครไผูใหญ่ก็ไม่รู้จะว่าไงเนี่ยเอาข้าวสารกันใดเอาข้าวสารใส่ปลาเคี้ยวเอามาม่ากันใดนี่บ่มีเป็นบบูก นั่งไปนนงงงเนี่ยถ้าง่วงนี่ก็ไปนอนเถอไปถ้า ง, ง่วงให้รีบไปนอนเลยดีสุดนั่งแล้วก็นึกถึงแสงสว่างไอ้แสงแยงตาก็มาจากกลางทองแล้วก็รับประทานอาหารแต่พอดีไอ้ดูด้ว่าเราทานอิ่มเงิน ไ, ไหมไม่จกนกระทั่งอาหารนี่มันทําให้เราเกิดอาการง่วงหรือเร า, เรานอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่บ้างหรือเปล่าก็มันสังเกตสิจ้ะ แล้วก็ปรับลงเอาหนาะหรือให้ดีหรือร อ, อย่างนี้ก็ไม่หายไปนั่งในป่าช้านี่นะบนฝาโลงนั่นเลยแนะล้วให้มีบรรยากาศมีด น, นตรีเสียงเอ้าเอาหอนอมาอย่าง น, นถ้ายังหลับได้ก็แ น, น่จริงๆก็ให้เปิดฝาโลงแล้วก็ไปนั่งอย่างนั้ น, น, นเดี๋ยวก่าจะดึกกัน อ่า อ, าอานี่ไม่ไม่ไม่นอกเวลาลูกตรรมยานเป็นการมีให้น้องทั้งสามคนทุกวิธีทางอย่างต่อเนื่องทั้งหยาบและละเอียดหยาบคือค่อยๆแนะนำชักชวนให้น้องทั้งสามคนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตค่อยๆแนะนําดยใจเย็นๆให้เขาเข้าใจอธิบายเขาเข้าใจเรื่องความจริงชีวิตการสร้างบมีอย่างยืกเยื้ออดทนส่วนละเอียดก็คือ เวลาลูกจะทําทบุญก็ให้ใส่ชื่อของน้องทั้งสามบ้างหรือทําบุญทับุญแล้วอธิษฐานในน้องทั้งสมได้ไปสร้างบารมีอารม์กับโมฆะณะจ๊ะทําอย่างนี้ไปควบคู่ไปทั้งหยาบละเอียดนะจ๊ะแต่การเปลี่ยนแปลงหยาบของลูกจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ อ, อยากจะเอาอย่างบ้างแต่ลูกสามีและบุตรสามคนเคยสร้างบารมีกมับโมณะมาโดยเป็นกองสเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มกําลัง บางครั้งก็ตามกําลังบางครั้งก็ตามอารมณ์หลากหลายอย่างจ้ะบุญชายกันโตก็มีบุญบวชช่วงสั้นมาจ้ะชาตินี้ถ้าจะบวชระยะยาวก็ต้องมีกําลังใจสูงจ้ะไอท่องคําว่าไม่ซึกไม่ซึกไม่ซึกก็จะยาวไปเลยเลยถ้าหยุดท่องเมื่อไหร่ก็ยุ่งตัวลูกก็จะต้องชักชวนให้ลูกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่น้นอยู่ในหมู่กรณมิตรหรือครอเพื่อนจะเป็นกรณมิตรจะได้ชักชวนกันสร้างบา ร, รมีจ้ะ ครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสามัคคีลองดองกันเป็นครอบครัวธรรมกายนั้นก็ขึ้นอยู่กับการให้แจ้เช่นให้ความรักความปรารถนาดีต่อกันให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอภัยในข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันให้อะไรยิ้มพิมพ์ใจต่อกันแล้วก็ชักชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันกับบุคคลนัอย่างต่อเนื่องเป็นต้นจ้า ครั้งนี้ประชัยกันแล้วให้แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่นี่ทุกบุญแล้วติฐานจิตตามตีปิฎสิบรีวงบนมิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าที่จะเป็นเรื่องราวของเคสสต๊ดีสั้นๆสำหรับคืนนี้